าาาถามถ้าใครได้รับความช่วยเหลือจากเรามากๆเขาจะต้องเป็นคนใช้เราในชาติต่อๆไปหรือเปล่าครับไม่จาเป็นหรอกครับคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณมากๆโดยที่คุณเต็มใจเองหยิบยื่นเองอันนั้นก็ไม่ถือว่าเขาใช้สอยคุณแต่อย่างใด